ลำดับชั้นคำภีทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าพระไตรปิฎกจะนับว่าเป็นคำภีสำคัญและเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาแต่ก็มีคำภีอื่นอีกที่เกี่ยวข้องด้วยจึงควรทราบลำดับชั้นคำภีทางพระพุทธศาสนาไว้ดังต่อไปนี้ 1. พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานขั้นหนึ่งเรียกว่าบาลี 2. คำอธิบายพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานขั้นสองเรียกว่าอัฏฐกถาหรือวันนานาสาคำอธิบายอัฏฐกถาเป็นหลักฐานขั้นสาเรียกว่าดีกา 4. ี่คำอธิบายดีกาเป็นหลักฐานขั้นสี่เรียกว่าอนุดีกานอกจากนี้ยังมีคำภีร์ที่แต่งขึ้น ว่าด้วยวยาก์ภาษาบาลีฉบับต่างๆและอธิบายศัพท์ต่างๆเรียกรวมกันว่าสัทธาวิเศษเป็นสำนวนที่เรียกกันในวงการนักศึกษาฝ่ายไทยปรากฏในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเมื่อทำการสังคยานาในรัชกาลที่หนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2,331 เพื่อชำระพระไตรปิฎกนั้น ได้มีการชำระคำพีศัทธาวิเศษต่างๆโดยมีพระพุท ธ, ธาจารย์เป็นแม่กองการจัดชั้นของบาลีอัท ธ, ธกถาก็เนื่องด้วยการเวลานั่นเองพระไตรปิฎกเป็นของมีมาก่อนก็จัดเป็นหลักฐานชั้นหนึ่งคำอธิบายพระไตรปิฎกแต่งขึ้นประมาณ956ปีภายหลังพุทธบริณพานจึงจัดเป็นชั้นสอง ส่วนดีกานั้นแต่งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 1,587 จึงนับเป็นหลักฐานชั้นสามอันหนึ่งคำภีอนุดีกานั้นแต่งขึ้นภายหลังดีกาในยุคต่อๆมาเป็นคำอธิบายดีกาอีกต่อหนึ่งจึงนับเป็นหลักฐานชั้นสี่อย่างไรก็ตามแม้พระไรปิดดจะเป็นหลักฐานชั้นหนึ่ง เมื่อพิจารณาตามหลักพระพุทธภาษิตในกาลามาสูตรท่านก็ไม่ได้ติดจนเกินไปดังคำว่ามาปิตะกะสมุปทาเนนะอย่าถือโดยอ้างตำราเพราะอาจมีผิดพลาดตกหล่นหรือบางตอนอาจเพิ่มเติมขึ้นแสดงว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลสอบสวนดูให้เห็นประจักษ์แก่ใจของตนเองเป็นการสอนอย่างมีน้าใจกว้างขวาง และให้เสรีภาพแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่นอกจากนั้นยังเป็นการยืนยันให้นำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อได้ประจักษ์ผลนั้นๆด้วยตนเองแม้จะมีพระพุทธภาษิตเตือนไว้มิให้ติดตำราจนเกินไปแต่ก็จำเป็นต้องรักษาตำราไว้เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเพราะถ้าไม่มีตาราเลยจะยิ่งซ้าร้าย เราะจะไม่มีแนวทางให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลยฉะนั้นการศึกษาให้รู้และเข้าใจในพระไตรปิฎกจึงเป็นลำดับแรกเรียกว่าปริยัติการลงมือกระทําตามโดยกวนแกจริตอัทยาศาัยเรียกว่าปฏิบัติการได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นๆเรียกว่าปฏิเวท คำอธิบายพระไตรปิฎกอย่างย่อๆของพระอัรฐกะถาจารย์ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าคำอธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอัฏฐกถาจึงควรทราบต่อไปว่าท่านผู้แต่งตำราอัรฐกะทานั้นเรียกกันว่าพระอัฏฐกะถาจาร์เฉพาะคำว่าพระไตรปิฎกนี้มีคำอธิบายย่อๆของพระอัฏกถาจาร์ ไว้ในสมันตปาสาติกาอัทธกถาวินัยปิฎกภาคหนึ่งหน้า21ดังจะนำมากล่าวต่อไปนี้ 1. วินัยปิฎกเป็นอาณาเทศนาคือการแสดงธรรมะในลักษณะตั้งเป็นข้อบังคับโดยส่วนใหญ่สุดตันตปิฎกเป็นโวหารเทศนาคือการแสดงธรรมะยักย้ายสำนวนให้เหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟัง อภิธรรมปีดกเป็นปรมัตถเทศนาคือการแสดงธรรมะเจาะจงเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงไม่เกี่ยวด้วยท้องเรื่องหรือโวหาร 2. วินัยปิดกเป็นยถาปาราทศาสนะคือการสอนตามความผิดหรือโทษชนิดต่างๆที่พึงเว้นสุดตันตปิดกเป็นยถฐานุโลมศาสนะ คือการสอนโดยอนุโลมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังซึ่งมีต่างๆกันอภิธรรมปิดกเป็นยถาธรรมาศาสนะคือการสอนตามเนื้อหาแท้ๆของธรรมะ 3. วินัยปิดกเป็นสังวราสังวรากถาคือถ้อยคำที่ว่าด้วยความสารวมและไม่สารวมสุดตันตปิดก เป็นทิฏฐิวินิเวตนกถาคือถ้อยคำที่สอนให้ผ่อนคลายทิฏฐิคือความเห็นผิดอภิธรรมปิดกเป็นนามรูปบริเฉษทธกคาคือถ้อยคำที่สอนให้กำหนดนามและรูปคือร่างกายจิตใจ 4. วินัยปิดกเป็นอธิสินสิกขาคือข้อศึกษาเกี่ยวกับอธิสินคือสินชั้นสูง สุดตันตปิดกเป็นอธิจิตตสิกขาคือข้อศึกษาเกี่ยวกับสมาธิชั้นสูงอภิธรรมปิดกเป็นอธิปัญญาสิกขาคือข้อศึกษาเกี่ยวกับปัญญาชั้นสูง 5. วินัยปิดกเป็นวิติกะมภะฐานคือเครื่องละกิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล ส, สุดตันตปีดก เป็นปริยุท ธ, ธานับประหารคือเครื่องละกิเลสอย่างกลางอันรัดรึงจิตได้แก่นิวรณ์คือกิเลสอันกั้นจิตมิให้เป็นสมาธิ 3. อภิธรรมปิดกเป็นอนุสยประหารคือเครื่องละกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่กิเลสที่นอนอยู่ในสันดานเหมือนตะกรอนนอนก้นตุ่มไม่มีอะไรมากวนก็ไม่แสดงตัวออกมานอกจากนั้น ยังได้อธิบายโดยใช้ศัพท์ประหารในรูปอื่นอีกซึ่งเห็นว่าเท่าที่นำมากล่าวนี้พอแล้วจึงไม่นำมากล่าวทั้งหมดข้าพเจ้าได้นำคำอธิบายย่อๆของพระอัฏตกถ า, าจาร์มากล่าวไว้ในที่นี้เพื่อเป็นแนวพิจารณาของท่านผู้อา่านต่อไปนี้ขอท่านได้โปรดอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการชาระการจารึกและการพิมพ์อัตรตยปิดกในประเทศไทย กับข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกและความย่อแห่งพระไตรปิฎกอันปรากฏในภาคสองภาคสและภาคสโดยลำดับ